ยอมอยู่ในขอบเขตของกระบวนการรับรู้และการคิดคำนึงนี้เมื่อกล่าวในแง่หนึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับบุคคลข้อที่ว่าถูกไฟลามติดลุกไหม้อยู่ย่อมหมายความว่าสิ่งเหล่านี้หรือกระบวนการนี้ตกอยู่ในภาวะรุ่มร้อนดิ้นรนกระวนกระวาย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 พูดในมุมกลับว่าปัญหาต่างๆทั้งมวลของมนุษย์ทั้งส่วนบุคคลและสังคมสืบสาวต้นตอลงไปได้ถึงการที่ถูกไฟเหล่านี้เผาลนอยู่กล่าวโดวยรวบรัดว่าในแง่บุคคลในขั้นรุนแรงคนถูกราคาโทสะโมหะเข้าแผดเผาลุ่มรุมผลักดันจึงกระทำการทุจริตหรือแม้กรรมชั่วร้ายแรงต่างๆ โดยปกติกระทําไม่ได้และทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆแก่ตนเองติดตามมาและเกี่ยวพันถึงสังคมในข้อต่อไปในขั้นละเอียดอ่อนแม้โดยปกติมนุษย์ปุถุชนย่อมถูกไฟเหล่านี้บังคับบัญชาการกระทําคำพูดความคิดตลอดจนทัศนคติต่างๆอยู่แล้วที่เห็นได้ง่าย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 ก็หาทางเอาเปรียบทำลายผู้อื่นบุคคลผู้เดียวในหมู่คณะหนึ่งไปกระทำผิดพลาดต่อคนในอีกหมู่คณะหนึ่งเป็นกรณีส่วนบุคคลแรงราคาต่อฝ่ายตนและโทสะฝ่ายอื่นทำให้ไม่พิจารณาสอบสวนให้เห็นความจริงเกิดเป็นกรณีขัดแย้งรบราค่าฟันระหว่างหมู่คณะพ่อแม่รักและหลงลูกจนเลี้ยงลูกผิ ด, ผด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 ตามกระบวนการของมันนั้นขณะนี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามกระบวนการแท้ๆหรือตามสภาวะอาการล้วนๆของมันแต่ถูกไฟต่างๆเผาลวนอยู่ตลอดเวลาเมื่อกระบวนการนี้ถูกไฟลุกไหม้ก็เกิดความระสำระสายปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนคล้าจากปกติความรู้ต่างๆที่ได้รับก็บิดเบือน ตัวบุคคลก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเกิดความสับสนวุ่นวายถูกครอบงำหรือลากจูงให้เอียงเอียงไปบ้างถูกลมให้มืดหน้าตามัวบ้างไม่สามารถกลั่นกรองวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยถูกต้องเคี่ยววิ่งแล่นไปตามแหล่งของการรับรู้ที่ถูกไฟไหม้ถูกชักพาไปตามสายของการรับรู้นั้นๆเกิดความยึดติดพัวพันตกเป็นทาตไม่เป็นอิสระ